พุทธวัตรสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนาที่จะน้อมนําเอาอพุทธวัจะนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเป็นหลักในการจัดรายการก็มาพบกับท่านฟังกันอีกแล้วนะคะทางสถานีวิทยุ FM 106ครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่พาท่านฟังร่วมเดินทางไปกับคณะของพระคุณเจ้าพระมาร์ชาคาวโรพระจันภัยบุญอภีปุลโน โดยการนำของพระอาจารย์คึกฤทธิ์สดธิพโลและก็ลูกศิษย์อีกเป็นจำนวน30กว่าท่านไปอินเดียสีสังเวชนียสถานเพื่อให้ท่านได้เหมือนกับว่าได้มีโอกาสตามไปกราบพระบาทพระาศาสดาของเรากันที่นั่นนะคะในช่วงของพระมาชาควโรในช่วงต้นท่านก็จะได้น้อมนำเอาพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่นั้นๆ มาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังค่ะนาัส ก, การค่ะท่านคะจะรย์พรค่ะคงจะเริ่มต้นกันที่พระสูตรอะไรกันก่อนคะเนี่ยวันนี้เราจะาปฏิบัติธารมความเพียรแล้วก็ฟังพระสูตรที่พระพรุทธเจา้าเนี่ยทรงพูดไว้เรื่องของเรื่องย่อของท่านแล้วก็ความสุขที่ทําให้ท่านถึงออกถึงกับออกผนวตร์ที่จะเป็นสรดายที่ก็คือที่พุทธคยาค่ะนิมนต์ท่านเลยนะคะ ถ้าเราพร้อแล้วเราก็มาปฏิบัติทำความเพียนด้วยการเจริญอ า, านาตานสติกกันรู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมกับฟังพุทธประวัติจากพระองค์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสออกมาด้วยพระองค์เองเกี่ยวกับความรู้สึกที่ทําให้ท่านต้องออกผนวชสําหรับเรื่องย่อที่ควรทราบก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราผู้โคตมะโคตจเจริญแล้วในศักยัตระกูลเคยตั้งความเพียรไว้ได้มรุสัมมาสัมพธิยานอันสูงสุดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านครของเราชื่อกมิลพั์มีดาของเราเป็นราชาชื่อสุดโทธทนะมานาผู้ให้กำเนิดเรา ชื่อมายาเทวีเราครองเลือนอยู่29ปีมีปราสาทสูงสุดสามลังชื่อสุจัต t ะโกกันุทธะและกายจักะมีหญิงประดับดีแล้วสี่หมืนนางนารีผู้เป็นชายาชื่อยะโสธราลูกเราชื่อราหุลเพราะได้เห็นนิมิตทั้งสี่ เราจึงออกด้วยม้าเป็นพาหนะทำความเพียรถึงหกปีเราได้ทำสิ่งที่ใครๆทำได้โดยยากเราเป็นชีนะหรือผู้ชนะประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิ ป, ปัตนะเมืองพราราณสีเป็นสัมมาสัมพุธเจ้าชื่อโคตมะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ภิกษุผู้เป็นอัร拉สาวกสองรูปชื่อโกริตาและอุปติสะอุปทาภผู้ใกล้ชิดของเราชื่ออานนท์ภิกษุณีผู้เป็นอร拉สาวิกาสองรูปชื่อเขมาและอุบมนว น, นาอุบาสก นันถามาตาและอุตราเราได้บรรลุสัมมาสัมพธิญาณอันสูงสุดนาครวงแห่งไม้อสุธาสำหรับความรู้สึกที่ถึงกับทําให้พระองค์ทรงออกผนวนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย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 สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมโหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้จะเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมโวลงแสวงหา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 ที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกภิกษุ i, ทั้งหลายก็ อ, อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาภิกษุ i, ทั้งหลายบุตรและภรรยามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาท่าหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองและเงินสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทอรทุนเอาไว้เหล่านี้แลชื่อว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความซ่อมหมอกในรอบด้านเป็นธรรมดา ซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมวัวเมาอยู่พากันสยบอยู่แต่สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองใยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมวัวหลวงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองใยรอบด้านเป็นธรรมดา อยู่นั่นเองีกภิกษุทั้งหลายความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดความซ่อหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวสวยหาสิ่งที่มีความเกิดความซ่อหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองอีก ครั้นได้รู้ถึงโทษอันตำสามของการมีการเกิดความเศร้าหมองในรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้วเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัตนไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเธอเพกสุทั้งหลายเรานั้นในสมัยอื่นอีก ยำหนุ่มเทียวเกษายังนำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตาร้องหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวดเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วดังนี้ เราวันนี้เราก็ฟังเรื่องยอ่อคร่าวๆสั้นๆแล้วก็ความรู้สึกที่ทำให้จะผู้บีพระพาครเจ้าได้ส่งออกบัตวนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังประวัติกันต่อพร้อมกับประพฤตปฏิบัติกันต่อไปวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนนมส ก, การขอบพระคุณพระมหาคษัตริยวโรในโอกาสนี้นะคะนมส ก, กรรคะ่ะ